อธิบายเมื่อวันมาค้บูชาที่28กุมภาพันธ์2515หลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงและเทศดังที่ท่านจะได้เห็นจากหัวข้อเรื่องแววเสียงสวรรค์และหลังจากหลวงพ่อสมเด็จได้เข้าทรงแล้วโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อนก็ปรากฏว่าสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าได้มาเข้าทรงในลักษณะที่คนทรงลุกขึ้นยืน มือขวาเหยียดตรงและกางออกเล็กน้อยส่วนมือซ้ายไพร่หลังครั้นแล้วบทกวีอันไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง <c oughs> ก็ได้หลั่งไหลออกมาจากปากของคนทรงอย่างความตะลึงพลึงเคลิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนั้น <c oughs> และในการเข้าส่งครั้งนี้คุณหมอสิริพัฒนกรมจรได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ก็มีพระมาหาจำรัสที่ตัดโทษผู้ซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกับข้าพเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระด้วยกันและพันตำรวจโทเขียนรัตนสุวรรณคุณสุมลเตมียสุดพร้อมทั้งครอบครัวพันตรีวันชัยสุยะสุนานนทนายทหารแห่งศูนย์การทหารราบค่ายธนรัต์ปราณบุรีบุคคลดังที่กล่าวนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก และได้รับทราบในวันที่จะเข้าร่งนั่นเองเพราะข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบแน่นอนมาก่อนว่าหลวงพ่อสมเด็จจะเข้าร่งในวันนี้ท่านเพิ่งสั่งแน่นอนในตอนเช้าของวันมาคะบูชาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสได้บอกใครต่อใครนอกจากผู้ที่มาฝึกสมาธิเป็นประจำในตอนเย็นเท่านั้นที่ทราบ คุณหมอสิริได้เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่ได้พบเห็นในวันนั้นว่าตัวเองเคยเห็นการเข้าทรงมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเชื่อเลยเพิ่งจะมาเชื่อสนิทว่าเป็นการเข้าทรงจริงๆก็ในครั้งนี้เท่านั้นและคุณหมอสิริยังได้ตรวจดูชีพจรของคนทรงภายหลังที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เสด็จออกไปแล้วคุณหมอได้บอกว่าชีพจรเต้นแรงมาก เหมือนกับคนที่กําลังวิ่งมาเหนื่อยที่สุดซึ่งถ้าขืนวิ่งต่อไปอีกไม่นานเท่าไรหัวใจก็อาจจะหยุดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่เป็นอาการแกล้งทำเพราะคนทรงเพียงแต่นั่งและลุกขึ้นยืนพูดออกมาเท่านั้นมองดูจากภายนอกไม่มีการออกแรงอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าต้องมีอำนาจภายนอกมาบังคับการทางานของหัวใจจึงได้ผิดปกติไป และเป็นการยืนยันว่าการเข้าทรงที่แท้จริงนั้นจะทํากันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จได้เข้าท่งโดยใช้เวลาประมาณ12นาทีส่วนสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าใช้เวลาประมาณ8นาทีและจะสังเกตได้ว่าทั้งสององค์อยากจะพูดอะไรนานๆแต่ก็ทําไม่ได้ เพราะคนทรงรู้สึกเปลียมากแล้วเกรงว่าจะเป็นอันตรายท่านจึงได้ออกและนี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในสมัยโบราณที่มักจะมีกล่าวถึงการฆ่ากันโดยใช้คาถาอาคมหรือใช้อำนาจของพูดผีปีศาจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะในกรณีอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ออกอยังเข้าทรงอยู่เรื่อยๆคนทรง ก็จะต้องสิ้นใจตายอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะบังคับหรือควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นการเข้าส่งจึงนับว่ามีอันตรายมากเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คุณหมอสิริเชื่อมากก็คือคำให้ศีลให้พอในตอนท้ายของหลวงพ่อสมเด็จซึ่งทั้งหมดที่อยู่ในห้องประชุมไม่มีใครเฉลียวใจว่าเป็นบทกวีคือเป็นโครง และต่อมาก็เป็นชันแต่คุณหมอสิริรู้ดีว่าคนทรงแต่งไม่ได้แน่เพราะยังไม่รู้เลยว่าทอยคําที่ตนเองฟังจากเทพในภายหลังเป็นบทกวีคนอื่นก็ไม่ทราบต่อเมื่อคุณหมอชี้ให้ดูจึงได้รู้ว่าเป็นบทกวีอะไรบ้างครั้งแรกเข้าใจกันแต่เพียงว่าเป็นคําพูดคล้องจองกันอย่างธรรมดาเท่านั้น แต่สำหรับบทกวีที่สมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าตรัสออกมานั้นพอจะรู้ว่าเป็นบทกวีอะไรแต่ก็ไม่แจมแจ้งเหมือนกับคุณหมอสิริซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการเข้าส่งในวันนี้จึงยังความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอสิริถึงกับบอกให้ข้าพเจ้าเขียนลงในหนังสือวิญญาณอ้างถึงตัวท่านได้เลยว่า ท่านมีความเชื่อในเรื่องนี้ร้อเปอร์ซและอย่างตั้งใจที่จะเขียนความรู้สึกที่พบเห็นในวันนั้นลงในหนังสือวิญญาณเพื่อเป็นหลักฐานไว้ให้อีกด้วย